กิเลสเนี่ยมันลงทุนอนุสัยเรามีสันดานนะสันดานสันดานแล้วขี้โมโหตรงเงี้ยสันดานตัวนี้หรือนุสัยตัวนี้มันปลุงโทสะขึ้นมาถ้าเรารู้ไม่ทันจิตใจเราคล้อยตามโทสะนะมันลงทุนแล้วมันกําไรอนุสัยขี้โมโหจะยิ่งแรงขึ้นเรื่อยๆแต่ตอนนี้เราไม่ได้ไปกดไว้เฉยๆด้วยมันผุดขึ้นมาถ้าเรารู้เฉยๆนะมันลงทุนแล้วขัดทุนใจเราไม่คล้อยตามโทสะนะรู้รูกเดียวเลย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 มันเข้าไปเกาะพุทโธเหมือนกับคล้ายๆคนเกาะทุ่นไม่ให้จมลงไปในในในน้ำอย่างเงี้ยค่ะพอเกาะไปสักพักมันก็ค่อยๆฟื้นขึ้นมาหนูก็เลยอ๋อคืออย่างนี้คือมันมันเห็นว่ามันทำงานได้เองแบบนี้คือยังอยู่ในถูกต้องอยู่ใช่ไหมถูกต้องถูกต้องภาวนาได้ดีนะดีมาทางนี้ก่อนกันแล้วกันพวกแถวหน้าเดี๋ยวเสียใจอ่ะเบอร์สามสิบอกวันนี้ซ้อมมาดีด้วยเดี๋ยวไม่ได้ส่งกันบ้าน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 ตรงที่ไหลไปมันก็เปลี่ยนสภาพทีแรกไม่ไหลตอนนี้ไหลแต่มันไหลตอนนู้มันไหลแบบไหลเรามีหน้าที่ดูอย่ากระโจนลงไปไม่ต้องเกิดดับตลอดเวลาก็ได้สันตติมันยังสืบเนื่องอยู่ก็รู้มันไปมันขาดก็รู้ว่ามันขาดนะรู้มันอย่างที่มันเป็นไม่ต้องดิ้นรนจะต้องรู้อย่างโน้นอย่างนี้นะครับเท่านี้ครับดีภาวนาดีตอนแรกก็เตรียมกันบ้านมาจะ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 ใจที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูที่เป็นกลางมีความสุขอยู่อย่างนี้แหละเข่าวแรกหนูไม่เข้าใจเรื่องสัมมาสมาธิเ<ม>พราะมันก็เลยไปติดเพ่งหมดเลยนั่นมันมิจฉาสมาธิไม่ต้องตกใจหลวงพ่อจะบอกความจริงให้เขาติดกันทั้งประเทศหลย <c oughs> นักปฏิบัติเกือบนะร้อยละร้อยนะคือนักเพ่งนี่พูดแบบสุภาพนะ <c oughs> คนที่รู้แล้วเป็นกลางรู้แล้วตื่นแล้วเบิกบานเนียไม่ถึงเปอร์เซนต์หรอกแทบจะไม่มีในยะเลย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 ทรมานใจมากกว่าทรมานกายทันทีที่คิดเรื่องการปฏิบัติเราจะสํารวมรู้สึกไหมมันคือการกดใจเราแล้วมันทรมานไหมเทียบกับรู้นะเมื่อเรากดใจของเราไปอย่างเนี้ยมันทรมานตัวเองเมื่อเราปล่อยใจเราตามกิเลสใจของเราก็ชุ่มด้วยกิเลสเรียกว่าความสุขหลัริการุโยคเมื่อเรากดข่มจิตใจของเราเนี่ยจิตใจของเราก็แห้งผากหาความสุขไม่ได้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 ใจเรามีสัมมาสมาธิหรือไม่มีสัมมาสม า, สมาธิสัมมาสมา ธ, มาธิไม่ได้อยู่ที่ร่างกายใจเรามีปัญญาหรือไม่มีปัญญาปัญญาอยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่ร่างกายเราภาวนานะเข้ามาให้ถึงใจให้ได้เลยสติสมา ธ, มาธิปัญญามอยู่กับใจนี่แหละจนกระทั่งเกิดวิมุตต์ใจก็เป็นผู้หลุดพ้นนะไม่ใช่ร่างกายหลุดพ้นร่างกายจะพ้นไปไหนได้ร่างกายจะต้องแก่เจ็บตายไปตามธรรมชาติในี่ใจสําคัญนะเพราะงัน้นใจเราไม่สุดต่งสองข้าง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 ไม่เห็นแล้วรู้ยังว่าไปกดไว้ยังไม่รู้สึกถ้าปล่อยปล่อยไม้ไปก่อนวันนี้ฟรุงซ่านด้วยกับนรู้สึกไหมตัวนี้กันเม่กี้ก็ต่างกันหน่อยหนึ่งแล้วเราอย่าไปปรุงอะไรขึ้นมาเรากลัวการปฏิบัติเราก ด, ดไว้เนี่ยเนี่ยเนี่ยกดละตรงนี้กดละดูออกไหมพยายามเข้าไปแทรกแซงมันห น, หนูเห็นว่ามันเหมือนขยับตัวเวลาเราออกแรงขยับตัว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 พระพุทธเจ้าบอกว่าสร้างพบนะพบเล็กพบน้อยก็เหมือนอุจจาระนะก้อนเล็กก้อนใหญ่ก็ไม่น่ารับประทานอย่างนี้กดเล็กๆก็สร้างพบขึ้นมาเหมือนกันอ้าวแล้วคนโน้นล่ะส่งกันบ้านไหมอ้าวเพืนหน่อยนี่ก็ดูมันไหลได้ไปใช่ได้ใได้นะเพิ่งจะเริ่มกดเดี๋ยวเนี้นี่ใช้ได้ละอ้าเบอร์เก้าสิบก็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 มีความเปลี่ยนอยู่นะครับวันนี้มาก็พาครอบครัวแล้วก็อยากจะเอ็นถามหลวงพ่อว่าเอที่ปฏิบัติผ่านมาเนี่ยนะครับใช่ได้ไปเรับอยๆทุกทางไหมครับนะครับหลวงพ่อมีอะไรที่จะแนะนำไหมตอนนี้ก็อยากเล่งมากนะซึ่างพึ่งพึ่งเพิ่งเล่งกันไม่ชอบแปลงที่เล่งดีอ้างไปทางนี้ก่อนอันนี้ผ่านทางนี้ไปก่อนทางนี้เครียดเกินไปอ้าส่งกลับมาหน่อยอ้างคนนี้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 เราเหมือนไม่ได้ปฏิบัติเจ้าค่ะแต่ก็มีสติอยู่แต่ก็ไม่แน่ใจว่าสติที่เกิดขึ้นเป็นสติตัวแท้หรือเปล่าเจ้าค่ะตัวแท้แต่เกิดน้อยไปหน่อย <c oughs> เรา<ไ>ต้อมีมีเครื่องอยู่ไว้อันหนึ่งมีวิหารธรรมอะไรก็ได้นะกายเวทนาจิตธรรมอะไรสักอย่างหรือจะเอาพุทโธก็ได้เป็นแบ็กกราวเพื่อคอยรู้จิตอกลัวจะติดเพ่งนะ่ะเจ้าค่ะกลัวกลัวว่าจะติดเพ่งน่ะเจ้าค่ะ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 ถ้าท่องแล้วเออไอ้ไนี่ร้ายไอ้นี่ร้ายอย่างนี้ไม่เอาอต้องเอาแบบแล้วนึกถึงแล้วมีความสุขอ่ะถ้าถ้าอยู่กับลมหายใจได้ไหมเจ้าคะ่ะไม่ดีเดี๋ยวไม่ดีดใช่ไหมเจ้าค่ะเพราะปกติเมื่อก่อนนี้จะเหมือนกับเริ่มต้นจากรู้ลมหายใจอพอเหมือนกับพอมีสติก็หรือว่าพอเดินเข้าห้องน้ําปับ๊บจะรู้ลมหายใจเลยนะเจ้าคะ่ะแล้วตอนหลังๆก็อาจจะอยากรู้มากก็ไปเพ่งเพงเพถ้ารู้จักเพ่งแล้วจะไปรู้ลมก็ไม่มีปัญหาอะไรอ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 ถ้ามีความสุขแล้วสมาธิถึงจะเกิดก็รู้สึกว่าจิตใจนุ่มนวลกว่าเมื่อก่อนนี้ก็เลยไม่แน่ใจว่าเอ๊ะเบาไปหรือเปล่าเจ้าค่ะไม่ไม่เบาไนะเจ้าค่ะใช่ได้แต่ว่าสติยังเกิดน้อยไ้นิดหนึงต้องมีเครื่องอยู่อ้าพึ่งเอาจะคุยอะไรไหมทานไปหลารบแล้วะอ้าวกุ้งวาไงอย่างนี้ก็ถ้าเพ่งก็จะรู้ตัวมากขึ้นค่ะ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 มีเครื่องอยู่ไว้อันหนึ่งแล้วก็หาเอาว่าอยู่กับอะไรแล้วจิตใจสบายเอาอันนั้นแหละอ้าวโอน้อยรู้สึกว่ามันมันมีโมหะแต่ว่าเหมือนกับจิตก็เหมือนมีกําลังนิดนึงค่ะหลวงพ่ อ, อจิตมีโมหะถูกต้องครัับเป็นกลางกับมันยังไม่เป็นกลางเต็มที่คดูออกไหมให้รู้ตรงที่ไม่เป็นกลางนะั้นค่ะมีการบ้านส่งค่ะ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 โอ๋โก็เลยเข้าใจว่าอ๋อจริงๆแล้วที่รู้รมาเล็ดจิตเราไม่เคยเป็นเป็นกลางเลยเ<อ>รู้<ด>แล้วแทรกแซงตลอดเวลาอย่างเงี้ยคะ่ะและทีนี้โอ๋โจะ ถ, ถามหลวงพ่อนี่หนึ่งว่าแล้วตรงสภาวะที่ที่โอ๋โหเห็นที่มันเนียนเนิบเดับอย่างนั้นอ่ะจริงๆแล้วเราเรามันควรเป็นรู้เลยนะไม่จําเป็นอะไรก็ได้นะเท่าเทียมกันหมดเลยตอนที่ใจเราฟุ้งซ่านแล้นมันมาเร็ววับบวัมาทางนี้มาทางนี้มาทุกทิศทาง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 ภาวนาไปช่วงหนึ่งอย่าไปตาลุมบอลแล้วลืมลืมนะแล้วก็จะส่อสู้ไปอีกพักหนึ่งแล้วก็เอ้ยไอ้นี่จิตอย่างเก่าอีกแหละทําไมมันโง่หลายแล้ผ <c oughs> ิดเหมือนเดิมผมมีอะไรต้องเพิ่มเติมไหมคะหลวงพอ่อดูลิดเดียววันนี้รู้สึกตื่นเต้นค่ะหลวงพอ่อรู้สึกว่าสองสามวันนี้มีจิตใจตั้งมั่นตั้งมั่นมากขึ้นนะค่ะหลวงพอ่ออะไรนะมีจิตใจตั้งมั่นมากขึ้นกว่าช่วงก่อนก่อนแล้วก็ รู้สึกตัวเผลอบ่อยแล้วก็ใจลอยบ่อยๆด้วยเออดีนะดีใช้ได้อต่อไปไม่ต้องเข้าแถวและใครอยากได้ยกมือมีไหมข้างหลังยกมือพอกับเอการรู้ที่ถูกต้องรู้ที่ถึงฐานเนี่ยก็คือหลังจากคิดมาแล้วเนะี่ยรู้ว่ามีตัวมีตนตั้งอยู่ใช่ไหมครับไม่ไมไม่ยุ่งยากขนาดนั้น น, นนะนะใจใจปกติเนี่ชอบหนีไป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 พยายามจะดูพยายามจะปฏิบัติพยายามทําความเข้าใจไม่ต้องพยายามนะมันจะทําความเข้าใจรู้ว่ามันจะทําความเข้าใจมันเป็นยังไง ร, รู้ว่าเป็นอย่างงั้นมันแอบไปคิดทราบไหมเมื่อกี้นี้รู้อย่างนี้รู้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันดีเองเลยใช้ได้แล้วนะที่ทําอยู่เข้าร่องเข้ารอยละเอาแม่ชีนี้มาจากไหนเอาเอาให้แม่ชีฟูยหน่อย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 ทันทีที่บังคับตัวเองก็จะแน่นขึ้นมาไม่ต้องปฏิบัติก็ได้ลืมมันไปเลยแต่ว่าอะไรเกิดขึ้นที่ใจแล้วค่อยรู้เอาอย่างตอนเนี้ยใจหนีไปคิดแล้วรู้ไห้สึก ล, ลอยแต่ไม่ค่อยได้ ใ, ใจใอมันลอยไปนะไม่ต้องไม่ต้องให้รู้ชัดอนะ่ะรู้เท่าที่รู้ได้อะไปแจ็คแม่เชียแม่เชียหลงไปแล้ว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 มาเยี่ยมกันเฉยๆได้กลับแล้พัศการหลวงพ่อค่ะถ้ากลางในบางใจเริ่มเห็นใจที่มันเคิร์มบ่อยๆอ่ะดีะแล้วก็เคร์มนะค่ะแล้วมันจมแล้วมันก็ค่อยๆไหลเข้าไปนะคะความมันเคิรมได้ที่มันอย่างเงี้ยโอ้ยหลวงพ่อเห็นแล้วอยากทุบพอไปอยู่ตรงนี้หลายๆปีก็ไม่ได้อะไรเข้าใจไหมค่ะแล้วมันต้องตื่นขึ้นมาฟึกครับ ดูเพิ่งได้เริ่มเห็นโทษจริงๆงค่ะหลวงพ่ อ, อแล้วเพอเอินเห็นต้องอ่อยค่ะเลยไม่รู้สึกว่าเราต้องกล้าหาและเด็ดเดี่ยวที่จะออกมาจากเคลิมตรงเนี้ยค่ะอืมดีอ้อยมันไม่ค่อยเครลิ้ม อ, อ้อยมันขี้โมโหไม่มีเวลาเคลิ้มเท่าไหร่หรอกถ้ า, ถ, าถ้าสมมติว่าตังได้เห็นอย่างนี้บ่อยๆหนึ่งก็จะรู้สึกว่าอาจจะไม่ไหลเข้าไปค่ะดีแล้วรู้สึกเรื่อยๆอย่าให้ไหลนะที่หลวงพ่อไล่ทุกปลางมานานก็เรื่องนี้แหละ นั่งอะเริ่มมีแต่ความสุขเอาอะไรนั่งหนาหนูหนูเพิ่งได้เห็นว่าเออมันมีโทษมากๆเลยค่ะหลวงพ่อใช่มันทำให้เรานี่นะไม่เบื่อหน่ายสังสารวัตรเราก็จะมีความเพลิดเพลินหลงอยู่กับสังสารวัตไปเรื่อยๆใจเราไปเคลิมเคลิ้มขอบคุณนี่เหลก็เลยแต่ว่าใจสบายกว่าเมื่อกี้ดูอกไหม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 ไปส่องกระจกนะหลวงพ่อกล้ารับรองเลยหน้าไม่เหมือนเดิมสวยกว่าเก่าคนภาวนาไม่เป็นน่นหน้าหน้าตาดูไม่ได้ดำดำค่ะแล้วก็พอจะมาวัดนะคะก็รู้สึกตัวได้มากขึ้นแล้วก็เหมือนว่ามันมีการซ้อมค่ะหลวงพ่อดี <laughs> ลินก็ต้องตั้งกติกานะถึงเวลาต้องมาวัดบ้าง <laughs> ส่วนใหญ่ที่จะมาไม่ได้เพราะว่า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 หลวงพ่ก็ว่ากันแหละใจคุณเป็นสียังเกาะอยู่ดูออกไหมรู้สึกว่าน่าจะแก้ยากไมหมคะหลวงพ่อคะอยากแก้ค่ะอยากแก้รู้ว่าอยากแก้ไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบรู้ใจเราอาการที่ปรากฏไม่มีนัยยะสาคัญเจ้าค่ะอย่างโยมเนี่ยลมมันออกไม่มีความสําคัญอะไรสาคัญคือมันโลง่งใจเราโลง่งขึ้นมาเรารู้ว่าโลง่ง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 หลวงพ่อคะแล้วเวลาที่ที่หนูเข้าปฏิบัติอะ น, นะคะหนูจะลืมลืมหลวงพ่อลืมทุกสิ่งทุกอย่างไปแล้วตอนนี้หนูก็ดูสภาพธรรมเนี่ยรู้สึกเขาปกติฮะและ้ว อ, อย่าดูแบบมัวเมาก็แล้วกันนะค่ะดูห่างๆถ้าดูแบบเข้าไปดูอย่างนี้นะใช้ไม่ได้เจ้าดูอย่างนี้ท่านี้จำไว้นะท่านนี้เจ้าจําไว้นะเวลาภาวนาเครื่องเครื่อแล้วนึกถึงท่านนี้ไว้นะ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 เข้าใ จ, จาอาอยากพูดรู้ว่าอยากพูดนะอ้าวแล้วไงอีกอยากอยากถามให้อาม่าด้วยอะค่ะแล้อาม่าเป็นอมาอม่าของไม่กล้าถามอาม่าเขาอาม่าอาม่าห่วงลูกห่วงหลานไหม <c ười> คือก็ไม่มีอะไรจะถามให้หลวงพ่อก็เห็นลูกเขามีความสุขล้ามีความสุขก็สบายใจมัอ้อาใช่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 รลบนามัสการหลวงพ่อค่ะพอดีครั้งนี้เป็นครั้งแรกแล้วก็จะต้องเดินทางไปไกลแล้วค่ะเลยอยากทราบว่าถ้าถ้าจะต้องเริ่มต้นอย่างเงี้ยค่ะน่าจะต้องจากตรงไหนก่อนนะคะหลวงพ่อเริ่มอะไรนะจะเริ่มต้นเราจะทำอะไรนะ ถ, ถ้าจะเริ่มต้นปฏิบตัติหรือว่ารู้ใจตัวเองอะค่ะถ้าต้องไปไกลๆแล้วอาจจะมีแค่ซีดีของหลวงพ่ อ, อน่าจะต้องยึดตรงไหนไว้ก่อนนะคะก็ อ, อะไรเกิดขึ้นในใจเราขณะ น, นี้รู้ไปเรื่อย